ตอเช้าตอนเย็นแล้วก็ฟังทำฟังเรื่องที่เราทำเราทําอะไ่เวลานี้ก็ต้องฟังเรื่องนั้นเมื่อเกิดนักเรียนเวลาไปเรียนหนังสือจะเรียนคณิตศาสตร์ครูต้องพูดคณิตศาสตร์เรียนสุขศึกษาครูก็ต้องพูดเรื่องสุขศึกษา เรียนเรื่องเกษตรกูก็ต้องสอนเรื่องการทําการเกษตรนี่เรามาปฏิบัติธรรมเราพูดเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติธรรมคืออะไรก็คือการเจริญสติการเจริญสติคือทำอยังไงก็ตามหลักพรุทธเจ้าสอนว่ามีสติไปในกาย ทุกคนก็มีกายอยู่แล้วสติคืออะไรสติคือความรู้สึกตัวสมัชยะคือความเลึกได้ต้องใช้ให้มากๆไปกับกายให้กายมันไปจุ่มโอสติให้สติไปติดตอยู่กับกายไม่ใช่ไปนึกไปคิดการเคลื่อนไหวให้มีเจตนาที่จะรู้ หนึ่งตัวเคลื่อนไหวสองตัวเจตนาสามตัวรู้ให้มันมีร้อมกันมันจึงจะเป็นกรรมถ้าไม่มีเจตนาถ้าไม่มีตัวรู้ถ้าไม่มีมการเคลื่อนไหวมันก็ไม่เป็นกรรมเป็นการตัดต ก, กรรมเราเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้มันไม่เป็นกรรมเลยมันฟรีไปแล้วเดินกี่พันเข่าฟรีทั้งนั้นไม่รู้จึกตัว เคลื่อนไหวไปมาเท่าไหร่ไม่รู้สึกตัวหายใจเท่าไหร่ไม่รู้สึกตัววันนี้เรามาเอาประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของกายให้รู้สึกตัวแม้จากการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวสร้างจังหวะหายใจเข้าหายใจออกทำเป็นคนละวานละถ้ายกมือสร้างจังหวะก็ยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไหวให้รู้ถ้าดูลมหายใจก็าวางมือลงไป ลู่ที่เราหายใจ <c oughs> ถ้าเราจะเดินยังกรมก็ไม่ต้องยกมือสร้างจังหวะก็อลู่ที่การก้าวไปเดินไปนั่นทำเหมือนกันเดินก็เหมือนกันยกมือจีบจีจังหวะก็เหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนกันยืนเนรนั่งนอนเหมือนกันอารีบวดใหญ่ใหญ่นอกจากนั้น ถ้าเราเจ็บเขาเจ็บรีบดเน้น้อยพริบตาคือน้ำลายจับของเสียงของฉันข้าวอาหารล่าหน้าแปลงฟันเราก็หัดกำหนดรู้เอาใช่มากๆความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่ให้เราใช่เลยความรู้สึกตัวอันดื่นมาขวางกันก่อนมีมากเยอะแยะสิ่งที่มาขวางกันทำให้เรามารู้สึกตัวมีมาก ความคิดก็มีตาก็มีหูก้อมือจะโบกดิ้นกายใจรูปรสจิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆที่มันหวงกันไม่ให้เรารู้สึกตัวแต่มันก็ไม่เป็นใหญ่ไลรถ้าเรามีสติสติจะเป็นใหญ่กว่าตากว่าหูแต่ถ้าเราไม่มีสติตาก็เป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่มันดึงกันไปดึงกันมาจะโบกดิ้นกายใจ ใจมันก็ดึงไปคิดไปตามันก็ดึงไปเข้าลงหนังลงละครหูก็ดึงไปฟังเพลงฟังหมอลำกายมันก็ดึงไปเที่อกไปเล่นไปดีดไปอะไรต่างๆสารพัดจา้าวันนี้เรามาทำงานอันนี้ให้มันเป็นการเป็นงานของเราสักเรื่องหนึ่ง ซึ่งมันเป็นงานดันเอกคินเอกงานหมอนั้นเป็นงานแต่ดีเล็กกิฟจ้อยนะงานที่เปนเจริญสตินี่เป็นงานเอกเอกกับมังโคนี่หมายถึงหมายหมายเลขหนึ่งก่อนให้มันเป็นเอกหนึ่งละเอาไว้ก่อนรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยคิดรู้สึกตัวแล้วค่อยคิดรู้สึกตัวแล้วค่อยพูดรู้สึกตัวแล้วค่อยทํา อย่างเนี้ยให้มาก่อนสติต้องมาก่อนแม่จะมีการเคลื่อนไหวก่ตามเราจะลุกก็มีสติก่อนแล้วจึงลุกเราจะนั่งเราก็มีสติก่อนเราจึางนั่งลองใช้ปันป น, นี่แหละยิ่งจะเป็นกรรมฐานถ้าไม่ใช่อย่างนี้มันไม่เป็นกรรมฐานดีไปดีจะด้านไปเลยแหละนักกรรมฐานทั้งหลายนะี่ยเพราะ มันหยาบมันด้านมันดื้อด้านไปไม่รู้อะไรเลยเราจึงพยายามใช้มันจงบัญจงเจตนาบัญจงสร้างประจงสร้างให้ใจใจไม่ใช่เพ่งการบัญจงที่จะรู้มันเบาบถ้ามันเพ่งมันจะหนักถ้ารู้นี่รู้จากตัวรู้จากตัว มันจะสร้างใจว่ามันจะไม่หนักไม่ปวดหลังไม่ปวดเดีวการเดินก็รู้สึกตัวเฉยๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปบริกรรมอย่าไปตามจนมันเข่งขึมไปเลยไม่เอาขนั้นพิธีการเจรติตระิปัฏฐานเนี่อรู้สั้นๆรู้ปับปุ๊บรู้ปับ๊บรู้ปับ ป, บรปบุรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้อง่าคำพูดว่ารู้แล้วมันก็ยังนานเกินไปแต่ตัวสติจริงๆอ่ะมันไม่นานไปเนี้ รู้รู้ไปละะ้วจึงมาหัดตัวนี้กันเมื่อเราหัดตัวนี้มันเห็นผิดเห็นถูกมันเห็นสุขเห็นทุกข์มันเห็นรู้เห็นหลงสารพัดอยา่างที่มันมาผ่านตัวรู้ถ้าเรามีตัวรู้แล้วถ้าไม่มีตัวรูก้ก็เข้าไปเป็นงัมันะไม่ได้เห็นเลย มันสุกก็สุกมันทุกข์ก็ทุกข์ไปถ้ามีตัวลูกมันไม่มันไม่เป็นไปกับมันจะเห็นเอาก็เลยเป็นต้นตอของศีลก็ับมันผมรู้จักตัวหนึเพราะมันเห็นน่ะมันก็รักษาแล้วถ้าเห็นน่ะถ้ามันสุขเห็นมันสุขเนี่ยไม่ให้เป็นผู้สุขมันก็มีศีลถ้ามันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เนี่ยก็ลองเสียบีศิล ถ้ามันโกรธเห็นมันโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธเนี่ยคนจะมีสินมันต้องตั้งต้นไปอยากได้ก่อนไม่ใช่เราไปว่าเอาสมาทานแต่ทั้งที่มันหลงก็ไม่รู้หมกมุ้นคุณคิดไปเศร้าหมองกับความคิดตัวเองนะด่างพ่อยไปแล้วสินเราเรายึือมาสร้างตัวลู้ตัวนี้นะ เนี่ย ก, ก็กรรมฐ า, านต้องไปอย่างไงแล้วก็อย่างอื่นไม่เหมาะตกอยู่ที่นี่นะเหมาะอย่างเดียวคือกรรมฐ า, านอันอื่นไม่เหมาะถ้าอ า, อาจจะต่างกันกันกนเพราะอืนอ่นไม่มีลาบสั ก, กร ะ, ะไม่มีเสงเสร เ, เจียจอไม่ค่อยสะดวกสบายเราก็ไม่อยากให้มันสะดวกสบายเท่าไหร่ให้มันสู้ๆจัง่อย เมื่อกวัดเนินพระเนาน่ยสายงานแบบนี้แหละแต่เขาสร้างกติมีทางเดินจงกรมอยู่บนกติมีห้องน้ำอยู่บนกติมีคนไปสกข้าวเป็นโตอยู่บนกติเอาข้าวไปจงก็ไม่ต้องบอกไปวางไว้ตรงนั้นคนที่ปฏิบัติเขาก็มาเอาไปฉันเองลากเองเวลาไปส่ง เวลาไปรับก็เอาเป็นตัวสายใหม่ไปเปลี่ยนเอาเอาขึ้นมาไปส่งอีกมีผู้ส่งอันนี้ไม่ได้ทำาบบ น, นั้นใม่ได้ทําบบนั้นมีสตใไปก็ได้ไปรับอาหารไปฉันอาหารปรึกปันถ้ามั น, มนช่ำชองทุกกะและหีไม่ใช่เราจะถนอมจนอ่อนแอไปก็มีเขาจึงสู้ๆว้างนะ ให้มันเห็นทางตาให้มันดยินทางหูแต่เรารู้อ่านตามก็ไมไ่ทำให้เราหลงมันทำให้เรารู้หูก็ไม่ทำให้เราหลงมันทำให้เรารู้ด้วยถ้าเราอินียแก่ก้าวิเศษแก่ก้าแล้วเราใช่มันเลยถ้าไม่แก่ก้ามันก็ใช่เราเราจงมาสร้างตัวรู้นี้สร้างขึ้นสร้างขึ้นเนี่ยฮะเราจะเพาะอยู่ที่นี่ไม่มีลาบสักระพระสงฆ์พระคุณเจ้าโศตัย โสดายพวกเราแต่ถ้ามีอะไรปัญหาอะไรก็พึ่งพาแสากันฝากผีฝากไข้กันดูแลกันเจ็บแค่ได้ป่วยหาอาจารย์ตุ้มยานวาเทพมีรถมีเรือมีโรงไยบบานมีรู้จักหมอพอได้รับความสะดวกบ้างถ้าอยู่สุโกโตปาสุโกโต ถ้าที่อื่นก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเข้าใจถ้าเราอยู่ที่นี่อาจารย์ตุ้มไปหมอลู้อาจารย์บอเทพไปหมอลู้เขาก็รู้แล้วก็ได้ความสะดวกแล้วพวกเราที่อยู่นี่ก็ให้คนเข้ามาวัดเนี่ยหายใจโลง่ลงๆจะทําทให้คนมาวัดหายใจผือเครืองอืดดัดไม่สะดวกไม่มีใครให้ ความคุ้นเคยไม่สแสดงควาเป็นญาติบางคนมาวัดเนี่ยตั้งใจแบกอะไรมาพอมาแล้วอ้พระสงฆ์ไม่คีไม่เอาไหนเลยหน้าบูดหน้าบึ้งกันทั้งวัดเลยเหมือนหลวงพ่อไปวัดหนึ่งที่วัดะจังหวัดมุกดาหาร วัดบางซายใหญ่ไปถึงมุกดหารมันกลางคืนเพราะจะต้องไปแสดงธรรมในคืนในเย็นวันนะั้นมันมืดไม่เห็นไม่เห็นทางก็เาหมาแท็กซี่ไปวัดไปวัดบางสายใหญ่แท็กซี่เขาก็ไปรั่ววัดบางสายใหญ่ตรงไห น, นเขาบอกเขาไปไปตรงนี้แหละบ้านบางซายใหญ่มันมีป้ายอยู่ เขาก็บอกเขาดูเขาก็ไปแล้วมันก็นานเกินไปมันผ่านมาแล้วบางสาใหญ่มันไม่นานไปเน้แเขาก็เกินเวลาแสดงธรรมแล้วเรากะว่าจะไปแสดงธรรมตอนทำวัดเย็นพอดีมันเกินเวลาเราต้องบอกรถแท็กซี่ว่ามันราคานี่มันเกินไปแล้วนะราคาเนี่ยมันไกลกันแล้วไม่ใช่ใกล้เราเอาคนแวะไปจอดที่ไหนก็ได้ถ้าไม่มีบ้านมีวัด อา้าวถ้าคนณไม่ไปอก็เอาละไม่ต้องหาละคนเสียเวลาแล้วเขาไปไ ป, ไปส่งวัดหนึ่งฮะพอไปวัดอะวัดนั่นก็เนรนก็มีแต่หน้าบูดบูดพระก็มีแต่หน้าบูดบูดบึ่งกังเครียดไปเลยเจ้าวาดก็หน้าบูดฮ <c oughs> อาฮ่่าเจ้าวาดหน้าบูดบูดพูดคำสองคาก็มีแต่ดา่า บอกแนนก็ไม่ใช่บอก <c oughs> ด่าเลยบอกพระก็ไม่ใช่บอกด่ากันเลยเองไม่ดูหรือว่าไม่พระมาจากไหนทำไมไม่เลยหนูตาก็ไปตักด้ามไปโบเสือให้พระท่านนั่งท่านฉันที่โง่พระบ้าบ้าแนน <laughs> ดา <laughs> ่ดากันเลย <laughs> เออเราก็หายยืดฟืนไปไนีน่นะที่ต้ออยู่ถ้าเป็นนี่ <laughs> <laughs> เออบอกก็ด่าไม่คีไม่คีก็บูดไปเลยด่าพระด่าเจ้าก็เลยคำสองคำก็ด่าเออบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็มีบาตมีมุ้งนอนตรงนี่แหละไม่เป็นไรบ่นอยู่น่ะเจ้าวาดนะ จ, ะจนจนเนนก็บูดไปทั้งวันเลยเมื่อ้าแล้วก็ไม่ฟังเสียงขออนุญาตนกมือไหวผมจะ เดินทางมาไกลผมขอพักตัวนี้นะเอาเสือไปปูนอนทางกฎไม่ฟังเสียงพระพูดเลยนอนเรตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอฉันข้าวกับเขาว่าัดวางใจอยู่ตรงนี้โอ้ยมันกลายมาแล้ว <c oughs> อจังนั้นก็ขอฉันด้วยพอไปฉันข้าวก็่าตโยมามาจัดทาหาร ปลาข้าวมีแต่ปลาแม่น้ำโขงมันติดกับแม่น้ำโขงอ่างามอาหารของเขาปลาในโอยอาหารเยอะแยะไปเลยจะว่าก็ไปนั่งมองปาข้าวมือไหนมือไหนก็เอาแต่ปลาไม่กูยินมัดเบ่งเบาๆรบจักจั่นไม่กูจินเละรู้จักราบจักจั่นไหม เพื่อเรไม่รู้นะนาเชียไปเอาราบจักรจันมากินไงกินแต่ปลาเขาก็เปิดตัวคึนอ่ะตาไม่ออกโอ้ยอาญาเอ้ยมันก็ไม่มีผู้ไปหาจักรจันมันก็อยู่โคกอยู่ป่าต้องไปหาไปใต้ไปหามันมาอันนี้ก็อย่นี่ก็หาง่ายสุดคือปลาจักรจันหายากโอ้เพิ่งเตืเครียด แล้วก็โอ้ยอาหารไหนดีที่สุดเลไม่ออกก็ไม่ยิ้มสักคนเลยบูดไปทั้งวัดทั้งบ้านไปไเลยมัอ้อมันก็หายใจฝืดเลยที่วัดเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเห็นหน้าแจกกาา็อย่าหนีอย่าหลบหน้ามาจากไหนใครที่คนถามก่อนได้เปรียบนะถ้าเขาถามก่อนเราเสียเปรียบเขาแล้วมารายาทของคนไทยเราถาม ไม่เหมือนฝรั่งไม่เหมือนชาติอื่นเขามาจะไหนเนามาจากโน้นจากนี้จะไปไหนจะมานี่แหละมาหาใครมาหาหลวงพ่อหลวพ่ออยู่โน่นไม่ได้แลวพ่อก็อยู่นี่หลวงพ่อมาอยู่ถ้ามีอะไรที่ควรจะป้องกันกันก็มาบอก มาบอกหลวงพ่อมาบอกอาจารย์โมเทมาบอกอาจารย์ตุ้มว่ามีโยมมาหาอาจารย์แล้วก็จะได้เตรียมตัวนี่สมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อขุดคลองอยู่หน้ากติยานกรพดเนี่ยกาลังปปยกายขุดคลองเพื่อปลูกต้นไม้ปลูกตัวเรียนแต่ก่อนนี่น้ำเพนท่ลุ่มน้าขังบ้างแล้วขุดคลองเป็นกูเป็นกู เห็นเขาทำเป็นถนัดอยู่ที่บองนนเน่ะอ่าเราไปปลูกธุเรียนยู่กันนะชื่อต้นธุเรียนมาขุดคู่ขุดคลองไปโยมมหาเราขุดคลองอยู่เปื่อยกายร่อนจ้นเลยมันร่อนอ้อทำไงเนาะอายโยมก็อายเราไม่อยู่ในฐานะที่ไม่รับแขกเราต้องทำไงอ่ะอาโยมโยมไปพักชีสราก่อนนะเราก็จะอาบน้ำก่อนจะไปหา เขมาเห็นเราโอ้หลวงพ่อเขเขียนเป็นอย่างนี้หรืออยากขี้คนที้ตอมอแมแอมแบบนี้เออเสีวบางทีเราทำงานทำการอยู่ก็ไม่เหมาะถึงมาบอกกันว่าป้องกันเพื่อนผู้ประมาทป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้วนอนอยู่ก็ต้องมาเรียกให้เตรียมตัวเตรีมเนื่อเตรียมตัวก็าหาก ว, ว่านอนพักปอนนี้ก็อ๋อ โอกาศให้เราพ่อพักก่อนก่อนสักหน่อยค่อยอยาไม่มีอะไรอยู่นี่ก็พักได้กินน้ากินข้าวจะก่อนเด้อบ้านเราอยู่นี่ก็เกินพักเกินถุยกันไปนี่ก็ยังดีป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว <c oughs> ป้องกันทับสม บ, บัติของมิตรผู้ประมาทแล้วให้ให้ให้มีมนุษย์สมคัญบ้างพวกเรา หมอพวกเราเนี่ยต้องเผยแพร่ไม่ใช่มานั่งเทศจังสอนยามารยาต่างๆนะต้องทําต้องกรลบมีระเบียบมีอะไรต่างๆใครก็ตามจะต้องเสียเขียนไว้ที่ลาไตลักที่นี่ไม่มีใครแปลกหน้ามีแต่ญาติเพิ่งได้พบกันเนี่ยแล้วก็ต้อนรับด้วยคําพูดจากนี้ถ้าไม่มีใครต้อนรับก็ไปที่นั่นอ่านหนังสือออก ที่ลงทะเบียนเข้าไปในสาระด้านกานหนังสือที่เขียนไว้เอาหนังสือต้อนรับเป็นน้ำใจของพวกเราที่อยู่ที่นี่ใครก็พูดอย่างนี้พวกเราไม่ได้แม่หวงอะไรสมบัติอะไรมากมายเพราะเราต้องการในคนมาปฏิบัติเป็นสุดหัวใจของเราแล้วถ้าญาติโยมนัินเขว่าโอ้ยดีใจแต่ว่าเราก็ฐานะก็เท่านี้นะ ก็ไม่เปิดเกินเกินไปไม่พุ่งกินกนไปแล้วก็ให้สะดวกในการปฏิบัติ <c oughs> อย่าไปทำมันอื่นอยู่นี่ก็มีเจ้าอธิการอาหารก็มีแม่คีมีอุบาสิกาก็ดูแลดูรับแขกดูแขกต้อยแ ข, ก, แขกมากก็ทำอาหารตามฐานะอ่า มีอะไรก็ฉันน้อยทานด้วยกันเจ้าที่การอาหารเจ้าที่การครังอาจารย์มรเทพอาจารย์ทุม่มเจ้าที่การเทศ น, น์ศาาบางทีก็มีเบอร์จิก้ามาอยู่ที่อารลาเตาลักษ์จ <c oughs> านัก ง, งานลงทะเบียนแล้วก็แจกคนเย่แจกผ้าห่มให้ถ้าไปถามอาจารย์ทุ่มอาจารย์ทุ่มก็บอก กติพระติสง์ให้อยู่โตไห น, นถ้าเป็นวาชิกาก็ไปผู้หญิงวาชิกาเหมือนกันถ้าเป็นพระกบหาอาจารย์ตุ้มแต่ว่าเจ้าอาธิการเสนาสนะเจ้าอาธิการอาหารเจ้าอาธิการคังเก็บแค่ได้ป่วยไม่ใช่คังไม่ใช่เงินมากมากนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่แรงความช่วยเหลือด้วยกัรผูดจต่าง เจ็บค่ได้ป่วยอย่างเด็กดีก็พาไปหาหมอ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่มีเงินมีทองจากนอ ก, ก็ส่งถึงหมอไดอ้เจ้าดิการอะไรต่างๆหลายๆเป็นตามทัอะไรของเราวันนี้หลวงพ่อไปเห็นอาจารหลวงพ่อชยเดชตัดต้นที่จะปลกูกรองรองปีเลย เป็นตัดต้นยาของผมปลูกไปโอ้ยเสียดายเสียดายอาจาห์ปลูกไว้เลี้ยงมาสี่ห้าปีต้นไม้น่ากติจรังพเนี่ซื้อมาสามหมื่นบาทเอามาปลูกมาแล้วน้ำอะไรโอ้ยัวจะโตต้นกาล ร, ระบุญก้านผู้กาล ร, ระบุ เป็นยาสมุนไพรแย่ปวดฟันแย้โรคอะไรต่างๆเวลาปวดเวลามกขมดขึ้นคติเอาใบไปเสียบใบมันก็ไม่มาไม่ต้องไปซื้อกระปุลเขาต้นไม้ตอนนี่ไปเสียบใบมันเป็นกําลังออกดอกกําลังสวยงามผมเดินไปมีความสุขพอต้นไม้ต้นไม้ทั้งหมดตั้งแต่เข้ามานี่เป็นปลูกเอาทางนั้น ไม่ใช่บังเกิดแรเงเราปูกว่าจะเป็นเป็นป่ามานี่ยอ่มันต้องลงตนลงแรงอ่าอยู่นี้ให้ช่วยกันรักษาการตัดต้นไม้เนี่ยขอล้องมากๆเลยแล้วผมกม็อยากเห็นต้นไม้ตัดป่ามากองไว้เป็นใหม่ทุกแดงนั่นอายคนเขาก็รู้ว่าเราอยู่ป่าเดีวนี้เราก็เป็นเรารู้รักเหยไปเดินทําไมอ่ะตา โอ้ยเดินธรรมตามยตาเฉยๆแต่หลวงพ่อตัดไม้มันร้องอยู่มีแต่ไม้มใหม่ๆทั้งนั้นโอ้ยจอทำไงผมไม่เคยทำแบบนี้เลยต้นไม้ที่ปวูกนี่ผมไม่ตัดเลยจริงๆคืนน้ำให้ปลาคนป่าให้แผ่นดินไม่ใช่ของเราไม่เอาประโยชน์จากมันให้มันเป็นสมบัติของแผ่นดินถ้าแค่ประโยชน์ก็เป็นยาสมุนไพร ใช่แล้วกัดสมุนไพรเนี่ก็ก็ผมก็รู้มีโคคารนอยู่ต้นขมพ่อมเขาก็รู้ว่าขมพ่อมมันก็ปีประโยชน์โคคารนเนี่ยโอ้ยเจ้าเอ้ยมาขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะอยากได้ขมพ้อมก็อยากได้โคคารนขึ้นขุมเขาก็เลยเอู้อยู่ด้วยกันนะขมพ่อมก็ช่วยตัวเองเนอะโคคารนก็ช่วยตัวเอง แล้วก็มีอ่ามีมีมี ม, ม, ม, มอะไรมีต้นน่าอะไรฮะผีพ่พวงเวลานั่นน่ะกะลอกไปเยนผีพว่วนไหนก็ตัดผีพ่วนไหนเถาใหญ่นะตัดกระต่ายจาดท่านเนี่ย น, น่ย า, า, น า, นาผมว่าจะเอาโคาคาร์มาไว้หายากได้โลกทีเดียวปลาโลบุลเอกาก้านโพก็หายากนะไอซื้อไวจากบางใหญ่โน้นใส่รถปลา ใส่รถมาต้นใหญ่ก็มาปลูกมาจ้างเขาผลหรืว่ากจะโตขนาดหนวันนี้ก็เลยไปจะขอใช้ชีวิตในฤดูแรงนี่ให้ต้นไม้ต้นนี้เกิดขึ้นมาจะมีปัญญาไหมผมก็เลยเอาขี้ควายขี้ผลมาปกเราผมรดน้ำเอาปุ๋ยรดว้ขอให้ช่วยกันสักหน่อยที่ท้งอยู่ก็รดให้ด้วยนะแล้วก็ใกล้เสร็นบัก อารมณปุ๋ยที่นั่นไม่เหมาะที่จะไปสร้างเพราะมันไม่สวยงามเลยหน้ากติจัรพลเป็นเป็นที่สงาาส่าราศีเป็นที่อวดแขกอวดใครมาประตูบ้านของเราถ้าไปทำลงปุ๋ยทรงนั้นน่ะมันก็ไม่เหมาะจริงๆจึงเลือกในที่ที่มันควรจะหลบปลีกมากกว่านั้น เรามีทำไมนะ่ใน่ะเราอยู่ด้วยกันเนะ่ยไม่ใช่เราอยู่เราเป็นใหญ่ผมก็ไม่เป็นใหญ่อะไรเอาทำไม่ในเป็นใหญ่พวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนะี่ยทำไม่ในว่าอย่างไงพิสุจะสร้างกาติกาตบโบกด้วยปูนหรือดินที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของต้องทำมาได้ประมาณโดยยาวสิบสองคือปัจุคตกว้างเพียงเกตคืบวัดในรวมใน แต่ต้องให้สงที่แสดงที่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงแสดงที่ให้ต้องอาบาดปายิติเมื่อเราทำคนเดียวไปได้สงเห็นดีไหมญ่ปลูกตรงเนี้ยอะไรจะปลูกอะไรปลูกกันนั่นเลยก็ะต๊อบก็ดีก็ต๊อบก็ดีกตก็ดีอาคารอะไรก็ดีถ้าที่อยู่ที่สร้างคืนนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทำไม่เกินประมาณก็ได้เกินคือ ยาวสิบสองคืบ ก, ก่วงเกลืเกินนั่นก็ได้ถ้ามีชายกไปเจาของแต่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนเอกมันกันถ้าไม่สงแสดงที่ให้จะปลูอกอะไรตรงไหนนี่ยต้องเอาบัตรเพราะเราอยู่กันหลายชีวิตอยู่ตรงเนี้ยบางทีเราก็ตัดชินใหญ่ไม่ได้จะปลูกจะสร้างอะไรตรงไหนต้องปรึกษาเลยกันเพราะนั่นเราไปทำคนเดียวเราอยู่ด้วยทําอะไหทําม่ไหนเป็นสิ่งที่ร้อยพวกเราให้ ร่วมคิดร่วมอ่านด้วยกันไม่ใช่เราตัดสินใจทําไมลงไปเลยตัดต้นไม้เนี่ยขอร้อง ม, ม, มากมากอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าเคารพที่นี่หนึ่งไม่ตัดต้นไม้สองไม่สุบบุรี่ไม่กินมากไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่เล่นการพนันบอกไปให้หวยไม่บอกเครื่องรางของของังไม่มีวิทยุโทรทัศน์อะไรจนเออกระโหลกเฮาไม่มี อยู่เยีเ่ยเนี่ยคัดที่นี่เขามีมานานแล้วอาจารย์ภาษาอังกฤษไว้ที่น่าสากใจเพราะฉะนั้นรักษาต้นไม้รักษาสิ่งของอะไรต่างๆอ่าคารมที่นี่นะเพราะฉะนั้นก็พอผ่ามันอ่ามันมันเสียหายแล้วเดี๋ยวนี่นะอ่อถ้าจะเป็นต้นกาการผูเนี่ยความรักของผมก็มีมากช่วยกันเนอะ ถ้าเป็นพระเจ้าอโยกอ่ะในเมียน้อยพระเจ้าอโศกเนี่ยไปลักต้นชีมหาโพมากวันไหนวันไหนก็ไปเฝ้าต้นชีมหาโพไม่มาอยู่บ้านอยู่เดือนไหนเมียนางเมียก็ก็ก็โกรธว่าพระเจ้าอโศกไม่มาอยู่กับตนก็เลยวางแผนให้คนใช้เอาอยา เอายาฆ่าต้นไม้ไปลดหนาต้นโพต้นนั้นต้นโพต้นก็ตายลงต้นชีมาโพต้นนั้นตายลงไปพระเจ้าโศกเสียใจมากเสียใจมากก็เลยถ้าต้นโพต้นนี้ไม่ค้นมาข้าวเจ้าขอตายกับต้นโพไปทําไงมีทางเดียวที่แต่ต้นโพขึ้นมาได้คือหานมวัว เจ็อยตัวมารวมกันเอามาลดต้นหน่อต้นโพให้มันเกิดขึ้นมาอธิฐานใจถ้าข้าพเจ้าจะมีบุญวาจาหนาที่จะได้มารวมพระพุทธศาสนาอยู่ได้ขอให้หน่อชีมหาโพ น, นี้เกิดขึ้นมาเถอดถ้าหน่อชีมหาโพไม่เกิดขึ้นมาข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตหยุดแค่นี้ไม่มีขอไม่มีชีวิตต่อไปเ น, น, น, นี่ยข้าพเจ้าโศก็กอธิฐานใจเอานม วัวเจ็ดร้อยตัวมาบวกกันเราลดน้ำต่อสีมหาโพลเกิดต่อขึ้นมาเป็นต้นที่สองที่สามที่เราไปประเทศเดีย์เนีเป็นความรักกันอย่างนะอันนี้ก็ไม่มีนมวัวเจ็ดร้อยตัวนะที่นีมีไหมคุณหมูมีน้ำนะมีชี้ฝุ่นลดช่วยกันด้วยคิดว่าจะเกิดนะที่ว่าจะเกิดขึ้นมานะถ้าจะทำโลงปุ๋ยต้นนั่นนะ่ะ แอบเข้าไปบังบงังเลยต้นน่ะเลยต้นนั่นนัอะไรเข้าไปย่าให้บังกติจันคนไปคิดต้นมะไฟหนอนผมก็ดูที่เออถ้ามันจะบอกที่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าต้องขยับเข้าไปด้านในย้ายให้เห็นอย้าให้บางหน้ากติจันคนเพราะว่ามันเสีย ม, มาเลียดูเถอะกตีเราที่สร้างนี่แม่ทีก็ไม่บังหน้ากันนะ ไม่บางหน้ากันเลยอยู่คนละมุมชกเช็คพอดีพอดีถ้าไปสร้างอะไรตรงนั้นโอ้ยเสียรูปของหน้าประตูวัดเราเลยเพราะนั้นไงขอให้มีความคิดความเห็นใครก็ได้พระสงฆ์จะนิยมก็ได้เออ่าแสดงเท่ก่อนไปดูก็ได้ทีนี้ม่ที่กองอยู่นั่นน่ะจะทำยังไงมันแดงฉานอยู่หน้าประตูวั ด, ด้วยําไปจะทาไง อาจารย์พัญญาวันสองวันเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนจะทําเสร็จไหม <laughs> ผมว่าอยากเห็นไหมกองอยู่ทั้งนั้นนะมผมไม่ไม่ถูกกันจรงกับการตัดไม้ทหลายป่าขอ <laughs> ขอเห็นใจกันบ้างตอนนี้ยืดของผมเนี่ยที่อยู่ที่นี้ผมมีความสุขเพราะดูต้นไม้นะกับ มีธรรมะบ้างหรือต้นไม้บ้างขอให้ดูอย่ช่วยกันอย่าไปตัดอย่าไปทำลายกันเด้อได้ยินไหมพวกเราแม่ออกนะไม่คิดต้องอยู่ไปเห็นเลยพอกช่างเขาตัดต้นไม้นะอยากให้ตรงพ่อบอกสิต้องช่วยกันโอ้ยโอ ย, โ อ, ยอย่าตัดอดไว้ทำอ๋อจานบะเจ็บใท่ไหาจานย์เา จ, ายจ้านะเห็นไหมจามนบะเจ้า ไม่ออกไปเห็นเจ้คนเด๋ไปหลับหงหลับตาอยู่ไหนจะไปไม่รู้เขาบอกตัดตอนไม้ใครก็รู้เลยอันตอไผ่เขาไผ่ก็ตัดได้อยู่แต่ว่าต้องตัดให้เป็นน่ะตลาลำแก่แก่บ้านต้นไม้เนี่ยยิ่งแก่ยิ่งดีตอไผ่ก็แก่แล้วมันตายเฉยๆลำไผ่เนี่ยอันตัดได้แต่ตัดให้เป็นอาลำแก่แก่ไม้ห่าน้องรู้จักไหม้ห่าน้อง สี่น่องสมน้องสองน้องถ้าสองน้องเนี่ยไม่เหมาะที่ตัดเลยไ ม, ม่ประโยชน์เอามาใช้งานก็ไปดิเอามาจากภาษานก็ไม่เหนียวไม่ทนทานแต่ไม่สี่น้องอยากน้อยก็สอสดสามน้องถ้าห้าน้องขึ้นไปนะ่ะไ ม, ม่ประโยชน์ล่ะเอามาสารไม่ได้มีแต่ไปใช้อื่นก้อนเล่าก้อนเลียนก้อนข้กเป็ดค้กไก่ไปอะไรทั้งนั้น ถ้าไม่ไผ่แตได้แต่ว่าต้องอย่าให้ก็จุยกรจ่า <c> ย <oughs> อย่าเห็นรองลอยเห็นซากต้นไม้ไครก็ตานถ้าตัดต้นไม้ก็ดูดีๆ ด, ดูต้นไม้พูดกันนูเรื่องต้นไม้กับเรามันจะแรงให้เราเห็นต้นไม้ต้นไหนที่ไม่มีประโยชน์อย่างหลวงพ่อพูทธวิบาลเนี่ยต อ, อไม้ก็เหมือนกันน่ะ ก็เนี่โอ๊ยเราอยู่ไม่ใช่เราอยู่ด้วยกันเราอยู่กับต้นไม้อยู่กับอะไรทุกอย่างที่นี่อันนี้เราเดินธรรมยา ต, ตาเลยหนึ่งเราเป็นตัวแทนของต้นไม้ทุกชีวิตอยู่ที่นี่อย่ามอ่วไปใครผู้ใดคนญาย่าจมก็เป็นตัวแทนของต้นไม้ต้นไม้มันร้องให้คนตัดมันต้นไม้เราก็ร้องให้เสียคิดไปแล้วหลายต้นแล้วไปดูซิไม่เคยเห็นแม่บี้รากอนะ ถ้าอยากมาทำเสานี้ไม่เหมาะจริงๆต้นอยู่ขาดถ้ามาทงมาเดื่นดีอย่าให้มันตากฝนไปฝังดินก็ขาดไม่คุ้มไม่คุ้มถ้าจะทำเสาก็เอาต้นเนี่ยไม้เก่าที่อยู่รอดเนี่ยอันนวนเอาไปทิ้งลงน้ำํำซะคนเห็นอายคนถ้าไปทิ้งลงน้ํากว่าช่วยกันทําให้เสร็จเลยแล้วให้ไปที่สถานที่ให้จะเอาตรงไหน ไม่ให้มันโชหน้าวัดจนเกินไปลงปุ๋ยนะหน้าวัดเนี่ยโชเป็นอันเดือดไปต้นไม้เนี่โชดีกว่ายอย่างเงีนนะ้ยเวลาเดินเข้าประตูทํำต้นนั้นนะต้นไสเยิยมรับเราต่อไปหลวงพ่อปูกต้นลําโพงนะต่อไปต้นลำพงอย่างต้อนรับเรารู้จักไหมที่ต้องอยู่ต้นลํำพง กำลังจะบานเดี๋ยดอกมายิ้มต้อนรับเราอ่ากินกินนาเนี่จิตนะการภูเนี่ยกําลังออกดอกถูกตัดไปแล้วเดินขึ้ามาตอนหอมดอกการภูดอกส้มโอดอกมะม่วงดอกไฟดอกมะไฟเดินขึ้ามาตอนหอมตอนไม้ดอกให้มันต้อนรับเรา รารบวชนี่ยไม่มีเราป่ะถ้ามีดอกหอมตอนเราพวกเราแล้วตายไปแล้วช่วยกันเถอรลดน้ำมันเหลือแต่ตอมันติดดินเลยไม่ดีจริงจังนะไปช่วยกันมีใจมีน้ำใจต่อต่อไม่นะอย่าไปฉักแท่งมันให้มึงตายจีไพร์เลยอย่าว่าโอ้ยดอดน้ำที่ใดมีน้ำใจขอให้งอกขึ้นมานะงอกขึ้นมา บางทีมงอกขึ้นมานะมีไหมมีฝี ม, ม, มือไหมเหราในหน้าแรกเนี่ย อ, อย่างน้อยต้องเว้นหนึ่งวันรถเว้นวันเว้นวันไปไปแล้วพอปุ๋ยไปใส่ไปแล้วเอาถุงปุ๋ยคลุมดินไว้ <c oughs> ให้มันชุ่มพอประมาณอ่าคิดว่าจะขึ้นได้นะถ้าขึ้นไม่ได้ก็จะ้ามาผูกไปไปดูอา้ยาน อย่าอาจารย์เต่า อ, อาจารย์เทพไปดูที่ปลูกลงปุ๋ยผมบอกผมว่าเอาซ่อนๆเข้าไปสะหน่อยข้างๆต้นหัวค่าต้นมาไฟคิดเข้าไปอย่าให้มันเห็นแล้วถ้าเป็นพระธาตุา่ะพอจากต้นอ่ะไปฝังไวใ้ให้มันเห็นจัดท่านนี่สักหน่อยพราะมันไม่โล่งเกินไปต้นเก่ า, านะฝังไว้ อย่าให้คนมาเห็นว่าโอ๊ยตอนไม้ตอนนี้ถูกตัดไปแล้วเอาฝังไว้หายเห็นว่าโอ้ถูกตัดแล้วมันตายเด้ทำไมทําไมต้งตายเนอเนี่ยคนจะได้เฉียดได้เอาไปฝังไว้เหมือนเดิมเะยขุดแล้เฉียมขุดฝังไว้ให้มันตายตอนนั้ น, นดีกว่าที่จะลงโลง่งให้มันบังบังสังกหน่อยผมว่าเวมากถ้าตัดตอนไม้ตอนนี้ออกไปนะโอ้ยทำไมจะกล้าตัดผมก็คิดไม่ออกกันกัน คิดหรอกคนที่ตัดตอนมาเอาเอ้วังก็มีด้วยประการละเนนี้